ม า, าพูดหลายวันแล้ว <c oughs> พูดบ่อยมากเลยเหนื่อยคนพูดพูดวันนี้ที่ไปชุมวันนี้ต่อคือจะมีการงานแจ่คนมาจากที่อื่นมาพักอาศัยทำบุญสุนทานในวัด บุญกุศลวัดที่จะเป็นจิตวิญญาณจิตใจของบุคคลในเรื่องสสศรัทธาก็เนื่องจากพระจากเนเนใ น, นวัดเป็นสำคัญถ้าพระเนแใ น, น, นวัดประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามศีลธรรมค า, า, าสอนของของพุณจเจ้าบุคคลที่มา พบมาเห็นก็เกิดความเยือกเย็นในจิตในใจมีความเ่อมสายศรัทธาอยากทำบุญศุลปทานพ็เชื่อว่าจะเป็นเนื้อนาบุญของเขาได้ดีแต่ถ้าแท้แน น, นในวัดไม่ไปพึ่งเปาิบัติอะไรมีแต่เล่นแต่เพลินแต่จิ น, แ ต, นแต่ขี้ หยื่อยุกันหัวเราเออกเกเพื่้เฮาจับกุ่จับก่อนกันคุยคุยกันไปทางจิตใจฉันน่ะถามันมีการสร้างบอลระวังกายวาจาตลอดถึงใจของตัวแบบนี้ก็ไม่เป็นทีเรื่องใสศรัทธาของคนทั่วไปที่มาเห็น คนมาหากันก็มีสองอย่างถ้าหากจะกินจะทานก็พิจปฏิบัติดีชอบตอนรับเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามมนาดูหน้าชมเขาก็นำไปสไรเสริญก็ถือว่าพระวัดนั้นเนรวัดนั้นนักปฏิบัติ พวกนั้นมีขอวัดปฏิบัติมีอักมีธรรมถ้าหาพวกนั้นตรงกันข้ามไม่เอาฐานอะไรมีแต่เชื่อเป็นพระกรรมาฐานเป็นนักปฏิบัติแต่มาดูแล้วไม่มีอะไรที่จะน่าเหลื่อมใสศรัทธาในว่าการฝูดยาปราใสในว่าการไปการมากิริยามลายา ความสงรวมระวังสังวรทางกายวจาใจใจไนมีไม่เหมือนกับชื่อที่ว่ากรรมาฐานนักปฏิบัติมาดูแล้วเหมือนกันกับคารวะญาตยาโยมธรรมดาหรือเหมือ น, ก, นกันกับพวกนักเลงฟุลาค <c oughs> ุยกันลั่นวัดแบบนี้เขาก็นำไปตำหนิมินทาไม่ว่าเขา ว่าเราเป็นธรรมดา <c oughs> การไปมาหาสู่กันจะมีสองอย่างเท่านั้นคือถาดีเขากวานำไปสั้นได้เสริญถ้าไม่ดีเขากวนตำหนิมินทาฉะนั้นพวกนักปฏิบัติโดยเฉพาะตาพิสุสามะเนนซึงเป็นทายากของพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าทางปฏิบัติ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 แต่เราคิดสรวจจาที่จะรายนานลำละความชั่วของตัวออกไปจากกายวาจาจใจอยู่อย่างนี้ได้ชื่อว่าเราสนใจตัวของเราเองเมื่อตัวองตัวเองสนใจในตัวองตัวเองแต่เพื่อตัวองตัวให้ดีในนี้ทีดจำนี้ในทางสั่วทางเสียฝูดถึงทำดีใน ไปดูดกายวาจาใจค้องตัวถ้ามันเป็นอย่างนี้ความสนใจค้องตัวสนใจที่จะละชั่วบําเพ็ญดีมีอยู่ในตัวและตัวเองตรวจตาพิจารณาตัวเองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะทําความเสื่อมเสียให้แก่พระศาสนาและกายวาจาจใจค้องตัวยังเราสนใจ ตัวของเราประพฤติไปตามธรรมดีในสงวรกายวาจาใจของเราแถานี้ในต้องไปเรียกร้องให้คนอื่นเขามาสนใจเขาก็ต้องสนใจเพราะตัวของตัวสนใจในตัวของตัวตัวของตัวดีไม่มีที่ตําหนิคนอื่นเขาก็ตําหนิไม่ได้นี่เป็นเรื่องสําคัญของนักประพฤติปฏิบัติถ้าหาก ใมทีนี้ที่จะนาสำรับความชั่วอยากจะจะให้เขาเยื่อมใสศรัทธาอยากจะจะให้เขาสักการบูชาสละเสริญแต่ตัวเองเน่าเหม็นไม่มีกลิ่นอะไรที่จะชวนให้คนอื่นท้อดมดา้าดูด้วยตาจิิยามารยาท ก็ไม่สวยงามอะไรพูดออกมาทางปากก็ไม่มีอาจมีทมที่จะเป็นเครื่องสำาักกายใจเป็นเครื่องประทับทจิตใจพอที่จะนำไปฝึกปฏิบัติพอที่จะทำความเย็นหูเย็นใจให้แกคนอื่นที่เขาได้สดับรับฟังตลอดถึงเรื่องของใจเองถ้ามันมี คุณความดีภายในทำไมความดีจึงไม่รั่วไหลออกมาทางกายทางวาจาเลยมีแต่คล้องเน่าคล้องเหม็นค้องไม่เป็นประโยชน์เขาก่อตัณห์นิเหมือนตัณหนิปลูกพืชปฏ่บัติตัณห์นินักบวชมันก็เหมือนกันกว่าตัณหนิพราพุทธเจ้าพระธรรมภาริยสงพอนักบวชเป็นผู้ศึกษาั นักทา ย, ยาตสืกศาสนามาจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ต่างหน้าต่างตาปฏิบัติรักษาทำวินัยที่พระพุทธเจ้ามอบให้แต่นั้นนักบวชจึงควรระวังรักษาสะวรกายวาจาใจของตัวยิ่งมีคนต่างหน้าต่างตาต่างกิ่นต่างฐานมาพักมาอาศัย เขวัตเขวามาเยียามาเรียากที่จะควรส้งวรนระวังนั้นเราก็จะต้องส้งวรนระวังเสื่อประโยชน์ของศาสนาถึงเราไม่ได้ทำสิทธิศาดอะไรไปในทางส่วเสียจากศีลธรรมกว่าดีแต่สังคมเขานนยมนับถือแบบไหนก็ต้องทำไปตามสังคม เป็นบางสิ่งบางอย่างทางศาสนาถึงถือว่าโลกาภิษะหมายถึงว่าสังคมเขานิยมนับถือแบบไหนคนเหล่านั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติไปตามสังคมที่เขานิยมชมชอบในอย่างนั้นมันขัดกันกับสังคม ท, งทั้งทางขีดเราพูดเราทํานั้นไม่มีทาง เสียหายจากทำดีในแต่สังคมเขาไม่นิยมชมชอบสังคมก็เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอันหนึ่งซึ่งโลกสมมุติทั่วไปเขาเหลื่อมใสเขาถือกันปุถุชนคนหลงโดยมากถือเหลื่อมสังคมเป็นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่น สังคมที่เขานิยมแต่งกายในวันเกิดหรือในวันแต่งงานหรือในวันเผาศกการแต่งตัวของบุคคลนั้นนั้นจะต้องแต่งตามแบบสังคมนิยมกันไม่อย่างนั้นบางทีอาจถูกกั้น กางเอาไว้ไมาให้เข้าไปในสังคมเคยเห็นเคยได้ยนินจากตัวเองมาอย่างงานสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทัยยีศีวัตรมกุฎีนั้นไปส่งท่านอาจารย์มุนจันศีวัตรโบรอนมีแขกมาจากต่างจังหวัดรู้วันจังหวัดน่าน พอมาในงานแล้วอยากจะพบพระพระผมเป็นพระปูใหญ่เป็นพระจ า, ากคณะจังหวัดงานงานแล้วก็มีธุระอยากจะพบก็เลยมาถามเลยตอบเขาว่าต่อมาก็เป็นพระอาคันทุกกะในสาบว่าะองค์ไหนอยากจะสะาบพวกเขาไปถามดูที่ฉนนั่งอยู่รวมกลุ่มกันอยู่นุ๊ เขาบอกว่าเขาไปไม่ได้จา้าหนที่เขาไม่อนุญาตทำไมเพราะแต่งกายไม่ถูกคือเวลางานคนตายผู้ใหญ่ตายลีบยอดมิดตายโดยมาตัวแต่งชุดดำไหว้ทุกนี่เป็นประเพณีในเมืองเขาทำกันแบบนั้นถ้าไปแต่งตัวหรูหราธรรมดา เขาไม่ได้เข้ า, าหากเขาแต่แงชุดดำแบบนั้นไปในงานมงคลเป็นต้นว่างานสมรสงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่เขาเขาก็อีกล่ะดูหมิมนินทาทำไมทำแบบนี้นี่หมายถึงการแต่งกายโรคนิยมแต่เราแต่แงแบบนั้นมันก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดธรรมดีไง อะไรแต่โลกนิยมนอกจากนั้นการฝูดจะตรวจต่างๆเสมือนกันถ้าหากเขาทำบุญวันเกิดทำบุญอายุหรือทำบุญสมรสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ถ้ะที่นิมนต์ไปในทราบว่าทนนิยมกันแบบไหนในการสวด เราไปกอ่อสังสนกุศลาธรรมมาอกุศลาธรรมมาสคนอยู่นั้นก็จะดูหมิ่นนินทาหรืออาจจะลุกมือ น, นี้ก็ดก <c oughs> ได้เพราะเหตุใดเพราะคำสวดแบบนี้สวดผีตาในสิ่ไปสวดในงานมงคลอย่างนั้นนีคือความนิยมกันแต่ทั้งที่ธรรมะที่พูดไปนั้นสวดไปนั้น ม น, นุ่มีอะไรเสียหายแต่เขานนยมกันแบบนั้นจึงต้องทำตามเรื่องโลกนิยมทางภาษศาสนาที่ว่าโลกกับวัฏสะคือถ้าหากทำในเหมาะสมถูกต้องโลกเขาดูหมิ่นนินทาแต่นั้นจึงตง้องมีการศึกษาต้องมีการที่จะเล่นนะทเหมาะสมมีผูกคน สี่เขามาวัดมาว่าก็ทำนองโยกกันเขาจะต้องมาสังเกตดูว่าพระเนนในวัดนั้นเป็นอย่างไรเราจะทำแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับคนนั้นนั้นจะต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าเราเคยทำแบบไหนก็ทำไปตามอำเภอใจของเรามันต้องรักษา เผื่อาษาษพระศาสนาเผื่อหมู่คณะนี่เรื่องของภายนอกจึ่งจะต้องศึกษาจึ่งจะต้องพิิพจรารณาเอาใจใส่ส่วนเรื่องภายในก็ อ, อีกเหมือนกันถ้าภายนอกยับยากยังไม่ทราบว่าอะไรควรไม่ควรเรื่องภายใน ด้านจิตใจอารมณ์สัญญานั้นมันละเอียดคนที่ไม่มีสติปัญญาไม่สามารถที่จะกาจัดปัดเป่าดวงจิเหลดตัญหามาณาทิฏฐิออกจากตัวของตัวได้ไม่าบาอารมณ์อะไรที่ควรจะปฏิบัติอารมณ์อะไรที่ควรขับไล่เลยไม่ทราบส่วนสายปลายเหตุ ที่มาก่อกวนใจของตัวทําไมมันจึงยุ่งเหยิงเดือดร้อนทําไมมันจึงสงบระ ง, งับเยือกเย็นอย่างนี้ไม่ทราบสาเหตุของมันเมื่อไม่ทราบก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วแต่มันจะเป็นจะไปจิตใจก่ละเหตเรียร่อนอยากคิดอยากปรงสัญญาอารมณ์อะไรก็แล้วแต่เรื่องของใจของจิตเรียไตัณหาจะนําพา แบบนั้นจะปฏิบัติอยู่สักกี่ปีมันก็ไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษชิ้นให้เพราะเราเองในศาสตร์จิตใจของเราอารมณ์ของเราเราต้องมีปัญญาชนิดพิจัยนาตรวจตาเรื่องอารมณ์สั้นยาเรื่องกิเลสตัญหาเรื่องมรรคเรื่องผลคือศีนสมาธิปัญญา ในตนท้องตนว่าทำอย่างไรจิตใจจิงจะเป็นไปเพื่อวามก้าวหน้าทำอย่างไรจิตใจจิงจะละเรื่องราคาตันหาให้ตกให้หล่นออกไปเพราะริงเหล่านี้มีมากเท่าไรว่าทำจิตใจให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนเราจะต้องทีนี้พิ่เจนะ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 ตาเห็นก่อนสักแต่ว่าเห็นหูได้ยินก่สักแต่ว่าได้ยิ น, จ ะ, ยนจะเกิดส ต, ติเกิดปัญญาขึ้นไม่มีแต่เรื่องของความชั่วที่เราไม่ต้องการหรือโลกไม่ต้องการนั้นมันเกิดขึ้นได้ทั้งที่ไม่ได้ปลูกฝังอะไรเหมือนกันกับพืชพันธ์ต่างๆอยู่ในดินเป็นต้นวายหาญ้าหรือต้นไม้ ต่างๆซึงเราไม่ปรารถนามันเกิดขึ้นได้งอกขึ้นได้แต่สิ่งที่เราต้องการเราต้องปลูกตรองหวางต้องรักษาแต่ถึงกระ น, นั้นก็ยังมีการล่มหายตายไปไม่จเจริญงอกงามเท่าที่ควรแต่ของไม่ดีนั้นมันเกิดขึ้นง่ายทั้งที่ทไม่ได้ปลูกฝังแล้วก็จเจริญเติบโต ง, ง่าย มีเรื่องกิเลสตัณหาภายในจิตในใจก็ทําทนองเดียวกันตาได้เห็นหูได้ฟังถึงเราไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจารณานเพื่อจะนำมาส่งเสริมกิเลสตัณหามันก็เกิดขึ้นได้เป็นขึ้นได้แต่นั้นเรื่องความชั่ว จึ่งเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นพื้นฐานของจิตใจผูทุชนคนหลงถั่วไปเพราะตาก็มีหูก็มีใจก็มีเหมือนกันแต่เห็นแล้วนำทุกข์นำโทษมาให้นำความกำนัดยินดีมาให้ทำจิตทำใจให้วุ่นวายเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะขาดสติขาดปัญญาขาดการที่นิเทศใจนะขาดการสำลักความชั่วออกจาก ใจของตัวผู้รู้ทั่วไปทานสําระสาสางไม่ว่าตาเห็นหูได้ยินเกิดอารมณ์อะไรขึ้นแพ้ในใจของท่านท่านมีสติมีปัญญาทินิพิเจรนาถ่าเห็นว่าจะเป็นข้าศึกศัตรตูต่อจิตใจต่อความสงบต่อความเยือกเย็น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 ดีเสียงก็ดีมีอยู่ในโลกเหมือนกันกับพวกเราทั่วไปเห็นได้ยินแต่ท่านทำใจของท่านจริงไม่เกิดกำนังยินดีไม่เกิดความวุ่นวายว่าเวหลงไหลร้อนใจเขาใจตัวเองเพราะท่านมีปัญญาชำระใจของท่านมีเราไม่ได้สนใจ ในตัวของเราแบบนั้นยังของหยาบๆเราเองก็ยังไม่ทราบว่าจะรักษาแบบไหนยิ่งเข้าไปภายในเป็นสิ่งที่ละเอียดมันก็ยิ่งห่างไกลออกไปแต่นั้นนักปฏิบัติยิงควรสังวรระ ว, วังรักษาตั้งใจหยาบเ้าไปหาทวามละเอียดท้องใจจนหมด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 กำเอาได้เจ็บเอาได้แต่เมื่อท่านแก้ไขทำจิตทำใจใหถึงจุดจบของท่านเหมือนกันกับตกลงใส่หลังมือมันกาไม่ได้ตกลงแล้วก็หล่นไปหยุดไปก็มีเหมือนกันเรื่องอารมณ์สัญญ้นยาเรื่องขาดเรื่องขันแต่ท่านไม่หลง เหมือนพวกเราท่านจึงมีความสุขความสบายไม่ว่าอยู่ว่าตายมีความสุขตลอดเวลาเพราะอารมณ์สัญญากเฉลี่ยปัญหาในลบกวนจิตใจของท่านพวกเรานั้นเรื่องของกายมันเป็นธรรมดาเกิดมานั้นก็มีแก่มีเจ็บมีตายมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรใครก็เป็นมาอย่างนั้น แล้วก็สาราบกันบางทีไม่มีโรคภัยอะไรเขามาก่อกวนภายในกายท้องตัวแต่ใจที่คิดไปในทางชั่ววรุงไปในทางชั่วอารมณ์หย่ดยุยจิตใจเผาใจไม่มีโรคภัยทางกายแต่โรคภัยทางใจมันเบียดเบียนมันก็ไปเกิดทุกข์มันไม่ เกิดสุขให้มีแต่ทุกข์อยู่ในจิตในใจเรื่องทุกข์ภายในคือทุกข์ของใจนั้นมันสามารถที่จะชำระสาสางออกไปได้ด้วยอำนาจของสติโดยอำนาจของปัญญาโดยอำนาจของข้อปฏิบัติแต่ละคนไม่ใช่ว่ามันจะติด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 ใจเศร้าใจเสียใจแห่งใจความอยากได้ไฟฝันสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เป็นเรื่องนำทุกมาให้เจ่ใจของตัวทุกส่วนนี้ถ้าหาพิจารณารอบเข้าใจถึงทุก อ, อย่างแล้วมันไม่มีทางเกิดขึ้นแต่ทุกของกายนั้นไม่ว่า ผู้ทุชนธรรมดาหรือพาริยเจ้าจะต้องมีเพราะเรื่องของกายเป็นรังของโลกโลกไทยมันก่ออาศัยกายอย่าเป็นที่เกิดขึ้นโลกปัดโลกไอ้ยโลกต่างๆนาั้นนะนับประเภทนับอย่างไม่ได้แต่มันอาศัยอยู่ในกายของเรา เหมือนกันกับสัตว์อาศัยอยู่แข่นดินมันไม่มีที่อาศัยมันต้องอาศัยแข่นดินเป็นที่อยู่โรคมันก็อาศัยกายเป็นที่อยู่กายจึงเป็นก้อนของโรกโรคมันไปจำอยู่ตลอดเวลาลหลบหิ้วโลคกระหายโรคเหนื่อยโรเหนื่อยโลกเหนืยโิ้โวโรกจอนเป็นการเป็นเวลาของมี เป็นเรื่องของกายการพิ่เจรณาธรรมสำรับใจของตัวนั้ น, นท่านจึงไม่เห็ส่งออกไปนอกดูภายในดูกายของตัวดูใจของตัวพระต้นตอที่จะเกิดความดีความชั่วความสงบความฟุ้งุงต่างๆมันเกิดไปจากกายจากใจนี้ มันไม่เกิดไปจากที่อื่นถ้าพิจารณาทั่วในกายพ้องตัวแยบทายเข้าใจชัดเจนเห็นไปจากทุกอย่างแล้วเรื่องนอกออกไปจากกายหรือรูปไหยถึงกายที่เรามองเห็นโดยตังไงว่ารูปพ้องตัวหรือรูปต้นไม้ภูเขา จักบุคคลทั่วไปในอดีตหรือปัจจุบันอนาคตทาหาพิจารณาทั่วในตัวเราแถานั้นมันเหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่จะสงสัยที่เขาหลวงรับดับไปหรือเขายังเป็นอยู่หรือเขายังไม่เกิดเมื่อเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นของวิเศษวิโส ไม่มีอะไรที่จะมาปิดกัน้นสติปัญญาให้เราหลงไหลไฝ่ฝันมืดบอดไปอีกนี่คือการทิจนาจริารูปเทใจรูปของตัวทั่วถึงกรร็รูปรูปทั่วโลกทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเหมือนกันหมดเป็นโลกวิทูรูแจ้ง ไม่ได้หลงมาได้มีอะไรมาปิดบงังในความรู้ของตัวขอให้พใจารณาให้ทั่วให้ถึงให้เห็นให้เป็นในใจนามก็ทำานองเดียวกันแต่สิบมันเป็นปัญหาเพราะสติปัญญาของเรายังไม่พอ แต่จิปัญญาของเราไม่พอก็เพราะจัดหาความเพียรของเรายัง อ, อ่อนถ้าเราเชื่อมั่นในตัวของตัวมีความเพียรขยันเอาจริงเอาจังในการอยากรู้อยากพ้นทุกมันก็ไม่เหลือวิสัยจะต้องเห็นต้องเป็นในจิตในใจของตน นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นความเห็นภัยในทุกในโทษในวัฏฏสงสารเห็นระยะแคบตาเดียวเหมือนฝ้าแร็มันไม่พอจะมองเห็นให้ถั่วถึงได้เวลาจะล้มจะตายเกิดขึ้นรู้จักพอหายจากโรคไัย จิตใจก็หลุ่มหลงไปอีกมืดบอดไปอีกคือมันไม่ต่อเนื่องกันการที่นิ้ที่เจนาเห็นทุกเห็นโทษในวัตฏสงสารเหตุนั้นเมื่อมันจะไปจริงจังมันจะตายจริงจังมันจึงหลงได้เพราะปกติมันก็หลงอยู่แล้วมันไม่รู้อะไรท่านจึงให้สร้างใจของตัวประพฤติ อาจประพฤติทธธรรมให้มีสติให้มีปัญญาตลอดการตลอดเวลาพร้อมเสมอปลายเวลานี้กว่าม่มีการเสียสิจะอยู่ไปอีกกว่าจะ ม, มีการลุ่มหลงนี่คือผูพที่นิจพรณเจน้ปฏิบัติธรรมะ ตัวคลองตัวก่อนไม่ตำหนิตัวค้องตัวคนอื่นผู้รู้ทั่วไปพิจารณาเลื่อมใะพิจารณาแล้วก็เลื่อมใสเพราะกายใจของท่าน น, นั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นโทษเป็นภัยท่านอยู่สถานที่ใดเป็นสุขโตสำหรับท่านและสัตโลก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 โรงพากันพินิจพิจารณาส้ำระต่างหน้าต่างตาทำความเพียนเผื่อแก้ไขความส่วนเสียของกายวาจาใจออกไปสนใจในอัดในทำยิ่งกว่าสนใจสิ่งอื่นปวดทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากโลกดินฟ้าอากาศ ถามเขาดูกว่ารู้ว่าเขาเป็นทุกข์ไหมเขาไม่เคยตอบว่าเขาเป็นทุกข์เป็นสุขแต่ใจของเรากายของเรานี่เป็นทุกข์เป็นสุขเพราะความยึดถือเพราะความหลุ่มลงจงพิจารณา ส, สําระตัวพ้องตัวด้วยธรรมะด้วยอาดด้วยธรรมอย่าเอาจิเลตมาสําระจิเลต มันไม่มีทางสะอาดได้เหมือนเอาของโสกกระปกมาล้างของสกกรปกมันมีแต่เพิ่มความสกกระปกเทวีคูณขึ้นไปของสกกระปกต้องเอาของสะอาดมาําระมันถึงจะสะอาด ไ, ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนน้าที่สะอาดสามารถําระสิ่งที่โสกกระปกปฏิกูลให้ตกออกไปให้สะอาดออกไป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 อยู่ภายในกายใจของเราแถวนั้นอยู่ภายในของเราให้ดีปฏิบัติให้ถั่วถึงอย่าไปโทษคนอื่นโทษที่อื่นให้โทษตัวของตัวมันจึงจะมีทางสำรับไม่อย่างนั้นจะไม่มีโอกาสเวลาที่จะสำรับตัวของตัว อยู่ปลายกีเดือนกีปีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด่านความดีมีแต่ความยุ่งเยงื้งวุ่นวายเดือดร้อนเพราะไม่ทราบสาเหตุความเดือดร้อนวุ่นวายอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาจากที่ไหนที่ไม่ทราบสาเหตุก็เพื่อไม่ดูกายดูใจของตัวมองออกนอก ไมด่ดมองเข้าในมันก็เลยไม่เกิดคุณความดีอะไรธรรมะเป็นโอปนัิโกเพื่อน้องเข้ามาภายในดูกายดูใจของตัวธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นพอให้ทุกข่ฉันนำไปที่นิเยนาศึกษาตัางหน้าตัางตาปฏิบัติให้สมกับสื่อที่เขาว่าถ้าธรรมฐ า, าน พระปิบัติในอย่างนั้นมีแต่ชื่อพอมาเห็นเขา้าก็ไม่มีอะไรที่ไห น, นเรื่องใจศรัทธาเขาจะดูหมิน่นมินทาถึงสูถึงอาจารย์ถึงศาสนาอย่างที่เขามาพูดวันนั้นว่าพระเอาเปรียบ ชาวบ้านเขาพระไม่ได้ทําอรุประโยชน์อะไรแก่โลกพระเป็นภัยแก่สังคมนี่รัติความมินิศที่เขาพูดที่ไม่ใช่รัติความมินิศคนที่เห็นผิดไปแบบนั้นมก็มันก็มีฉะนั้นเรื่องเขาพูดควรนํามาที่นี้ที่จ้านาแจกไข่ปรับปรุงกายใจคองตัวมันชั่วมันเสียมันไม่เกิดสาระประโยชน์จริงๆหรือ เราไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่โลกจริงๆหรือที่เราอยู่ในวัดในวาเป็นพระเป็นเนนเราต้องตรวจตาพิจรารณาอยาให้เขาดูหมินนินทาในการประพฤติปฏิบัติท้องตัวควรจี่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีพิณิพิจารณาก็าดีอย่าให้เขามี ทางจำนี้ตัวของตัวด้นี่คือการสระพืปฏิบัติแต่คนชั่วคนเสียคนมดึดคนบอดนั้นมันก็ห้ามกันไม่ได้ถนนใหญ่ขนาดไหนมันก็ไปไม่ถูกก็ตามันบอดนั่นเป็นประเภทอีกประเภทหนึ่งแต่คนธรรมดาที่มีสติปัญญาทีนี้พิจารณาแล้ว ย่าให้เขาดูหมิ่นนินทาแต่เป็นพระที่ชั่วที่เสียในใ น, รรใ น, นววี้อาดในนี้ทำในน่ะเคารพกราบไหว้เลื่อมใสศรัทธาอย่าใ้เขาดูหมิ่นนินทาแบบนั้นพากันประพฤติปฏิบัติระวังสังวรการพูดสาคัญอันหนึ่งเวลาร ว, รวมกันอาบน้ำก็ดีดื่มน้ำร้อนก็ดีฉันจังนันเสร็จ ทำกว่วัดก็ดีสำคัญเพราะเสียงมันดังลั่นทิดปกตินี่ก็แสดงว่าเราเองไม่มีสติระวังตัวเพราะพวกเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่คนหูหนวกพูดธรรมดาก็พอี่จะได้ยินกันแต่พูดดังนั้นอาศัย ขาดสติเพียงแต่รักษาคําพูดก็ไม่ได้ใจที่คิดปรุงไปมันเป็นของละเอียดมันก็รักษาไม่ได้อีกอันนี้ขาดไปอันนั้นขาดไปมันก็ไม่มีอะไรดีให้ถ้าขาดก็ยังไม่น่าหนุห่นห่มมุ่งขาดก็ยังการโยงไม่ได้ เราต้องระวังรักษาสมกับเฉื่อยจิโคะพระกรรมฐานพระปฏิบัติต้องต่างหน้าต่างตาปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนอย่าเขาดูหมิน่นหินทาอยู่ป่าก่อเป็นลิยงเป็นข้าไม่ใช่ อ, อยู่ป่าเพื่อเสรืรอมละกิเลสตัณหาอยู่ป่าเพื่อวิเวกสงบ ปีนิพพยนะเนี้ยสอนกายวายายใจทองตนเมื่อทุกคนระ ว, วังสังวรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีแต่ความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะห็นว่าพอสมควรกี่เวลากพ อ, อยุติเพียงแค่นี้เอวัง